มีธรรมะข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสให้เราพิจารณาตัวเองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปับันนี้เราทำอะไรอยู่ให้เราพิจารณาตัวเองแล้วกับข้อที่สองต่อไปเอกว่า เรายินดีในที่สงัดหรือไม่อันนี้ท้ายกว่าเป็นปัญหาให้เราถามตัวเองและเราตอบตัวเองเพราะฉะนั้นเรานําปัญหาอันนี้มาตรวจดูตัวของเราว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปทุกวันเราทําอะไรอยู่สิ่งที่เราทํานั่นเราประเมินผลว่า เป็นส่วนกุศนมากหรือเป็นส่วนทางไหนมากเป็นธรรมมากหรือเป็นอะไรมากกว่ากันเราก็จะได้รู้ชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปเราทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์อันมั่นคงแค่ไหนเพียงรเราได้อะไรจากสิ่งที่ล่วงไปนั้นมีอะไรเหลืออยู่บ้างในตัวของเรา นี่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราตรวจตรองรู้ว่างานของเราที่ผ่านมาที่ทํามาล้วนแต่ยังไม่มั่นคงยังไม่มีหลักฐานเครื่องประกันในทางจิตใจของเรายังไม่เชื่อมั่นในผลงานของเราอ่ ะ, อะ เราพอใจหรืออิ่มใจหรือจุใจเอืยยังไม่มองเห็นว่าจะพอเมื่อไหร่จะได้รับผลคือความสุขที่แน่นอนเมื่อไหร่เราก็จะได้ปรับปรุงว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเราผู้ต้องการ ที่พึ่งอันเป็นหลักฐานอันมั่นคงเพราะฉะนั้นเราพึ่งตรวจดูตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เราทาั้งหลายไม่ให้ประมาทคำว่าความไม่ประมาทเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเหตุในพระพุทธเจ้าจึางสอนไม่ให้ประมาเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนท่านเรียกว่าววยะธรรมะหรือขยะธรรมะในตัวของเราทุกๆคนล้วนแต่มีแต่ทมส่วนนี้ประจําอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าไวยะขยะธรรมะไวยะธรรมะคือมีแต่ความเสื่อมไปสิ้นไป ได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปทั้งภายนอกและทั้งภายในทีนี้มรรมเมื่อธรรมชาติเออธรรมชาติมันไม่เที่ยงหมดไปหมดใจไปอย่างนี้นะทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญถ้าไม่ประมาทเราจะได้อะไรกลับคืนมาแล้ว เ, เราจะมีอะไรเราจะไม่แก่หรือ เราจะไม่ตายหรือเราจะไม่มีอะไรหรือเพราะฉะนั้นในตัวของเรานี่ไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่หมดไปและเสื่อมไปสิ้นไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ยังไม่หมดยังมีแน่นอนและไม่เคยหมดกม็ต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ปรมา ความดีที่ได้จากความไม่ประมาทคงมีอาจจะเป็นที่พึ่งของเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราสมประสงค์ <c oughs> ความไม่ประมาทที่ี้พระพุทธเจ้าต้งกล่าวว่าทําประโยชน์ตนนะให้ถึงพร้อมทําประโยชน์ท่าน <c oughs> ประโยชน์นี่เองที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระทำไม่ให้ประมาทถ้าพูดถึงประโยชน์ทนหรืธรรมที่พึ่งแก่ตนนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือประพฤติธรรมนี่เองประพฤติความดีนี่เองที่เป็นกุศลธรรม คำว่าประมาทคือเราไม่ได้ประ่อเพิ่ตั้งใจทําความดีใส่ตัวของเราเองมัวเมาเพ้อเพลินหลงในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสาระให้วันเดือนปีล่วงไปล่วงไปผ่านไปเราหาเขตแดนที่มั่นคงในจิตในใจหลักฐานทางจิตใจไม่มี คือพูดง่ายๆว่าความรู้ในทางธรรมเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาทางธรรมเพื่อจะได้ประพฤติธรรมเพื่อจะได้ยึดธรรมเป็นที่พึ่งคำว่าประพฤติธรรมก็ไม่ใช่อื่นไกลมันสลับสับซ้อนอยู่ในโลกคือในตัวของเรานี่ เมือ่อทันชีลงมาก็คือสัมรวมกายสัมรวมวิจาสัมรวมใจนี่เองประพฤติทำนะมันก็อยู่ในตัวของเรานี่สัมรวมเพราะเหตุใดทำไม่สัมรวมมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าเรามาตรวจตรองไปนี่แ่ละความสัมรวมความผิดพลาดน้อยเรียกว่าความไม่ประมาทความไม่สัมรวมคือความประมาทนั่นเอง ความประมาทคือความไม่รู้ตัวความประความประมาทคือความไม่รู้ตัวความไม่ประมาทคือความรู้ตัวความรู้ตัวกับความไม่รู้ตัวนี่มีผลต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรามีความรู้ตัว คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงท่านว่าไวยะธรรมะคยะธรรม า, รรมานี่รู้กายที่มันเสื่อมโซนสุบโซนทุกวันทุกวันแม้แต่วัตถุที่เราได้มาเพื่อบำรุงกายมันก็หมดไปหมดไปผลที่สุดมันก็หมดทั้งสิ่งที่เราบำรุงหมดทั้งสิ่งที่เราที่หามาได้ คำ ข, ขาดสุดส้มหมดไปล่วงไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทำการงานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เพื่อให้เป็นหลักฐานถ้าเราทำงานแต่สิ่งที่เราที่เห็นอยู่นี่ว่ามันหมดไปหมดไปไม่มีอะไรเหลือถ้าเราทำใยความเหนื่อยยากลำบากต่อสู้มาเมื่อได้มาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของมันง่นคง หรือเป็นมรดกลูกหลานของเราไม่ต้องทำงานแต่มันก็ไม่แน่นอนเองไม่เห็นงานของโลกนี่จ ะ, จะเพียงพอจะหมดมิดามดาบรรพบุรุษของเราเกิด ม, มีชีวิตขึ้นมาในโลกแล้วก็ต้องต่อสู้จนชีวิตหาไมา่งานนั่นเองถึงทันทำขนาดนั้นเราเกิดภายหลังแทนที่จะไม่ต้องทำเราก็ต้องต่อสู้อีกเช่นเดียวกัน เราต่อสู้เน็ตเหนื่อยขนานี้ลูกเราจะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องต่อสู้เช่นเดียวกันต้องทำงานอย่างนี้เราพิจารณาดูแล้วถึงแม้ว่าจะได้ความสุขตั้งหลับหลับทำและถ้าองค์ทรงตัสว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่เป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีสติปัญญาพิจารณาว่า งานอันนี้ไม่มั่นคงไม่ถาวรเราก็ควรจะหาโอกาสแบ่งเวลาทำงานที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ประมาททำประโยชน์ตนคือให้ตนได้มาพักผ่อนทางจิตใจบ้างเพราะจิตใจนี่แหละถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ทนุบบำรุง ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอย่างถูกต้องแล้วย่อมจะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นสาระเรียกว่าประโยชน์พระพุทธเจ้าหมายตรงนี้เรียกทรรมประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ตอนกับประโยชน์ส่วนรวมแยกกันไม่ออก เพียงแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่แรกพระองค์ก็ประพฤติประโยชน์ส่วนพระองค์ยังไม่สอนใครยังไม่ทํางานช่วยเหลือใครพระองค์ช่วยเหลือพระองค์จนพระองค์มีกําลังสามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่ เป็นค่าศึกต่อความสงบหรือสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสุขจะเรียกว่ากิเลสแล้วเพราะกิเลสส่วนนี้แหละเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างร้ายกาเป็นค่าศึกต่อความสงบอย่างสำคัญเมื่อพรองเอาชนะส่วนนี้แล้วความสุข ที่เคยขาดตกบกพร่องต้องดิ้นรนแสวงหามาเพิ่มอีกเสมอเสมอพระองค์ก็ไม่ต้องดิ้นรนอีกแล้วความกอกวนให้วุ่นวายให้ทะเลทลายไปอย่างอื่นไม่มีแล้วจิตใจของพระองค์ มีความพอไม่สแสวงหาอย่างอื่นอีกแล้วพระองค์จึงทำประโยชน์ต่อโลกเรียวกว่าโลกัตถะจริยาทำประโยชน์ต่อโลกรือยาตัถจริยาทำประโยชน์ต่อญาติเมื่ออัตถจริยาของพระองค์สาเร็จแล้ว พระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระศาสดาเยี่ยงอย่างเป็นผู้นําในทางประพฤติในการปฏิบัติยังยอดเยี่ยมผู้รู้ทั้งหลายไม่สามารถจะมีติเตียนแม้แต่การยืนพระองค์ก็ยืนโดยฐานะเป็นเยี่ยงอย่างที่มีสติที่เรียบร้อยการเดินก็เดินไปเฉล้วนแต่ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเป็นสมกับเรียกว่าพระบรมครูเป็นแบบฉบับพระองค์เดินก็เดินจงกรมเดินไปโปรโดสัตว์เดินไปสงเคราะห์สัตว์หรือพระองค์อยู่ส่วนตัวพระองค์ก็เปลี่ยนเอราบทเดินจงกรมการนั่งนอกจากนั่งแสดงทำสงเคราะห์บุคคลผู้อื่นแล้วนั่งเข้าสมาธิสมาบัติสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์บำรุงจิตใจของพระองค์ รึงการบรรทมเสห์เสยียญากการพูดขอพูดแต่ล้วนแต่เพื่อสงเคราะห์ผู้ได้ยินได้ฟังให้เกิดประโยชน์การคิดคิดแพร่แม่ใจปรารถนาช่วยเหลือเวเ น, นยั์ทั้งหลายตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ได้ทำประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินแน่ น, นอน เพราะฉะนั้นจึงประโยชน์ส่วนพระองค์กับประโยชน์ต่อโลกต่อญาติทางหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อพระองค์ได้ทำประโยชน์ได้ประจักษ์ได้ความสุขแก่พระองค์ด้วยแก่พระญาติด้วยตลอดถึงแต่โลกด้วยพระองค์จึงสั่งสอนเราทางหลายให้เจริญรอยจากพระองค์ให้ทำอัตรจรยิยาประพฤติตนให ตั้งอยู่ในทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์พาพระพื่อปฏิบัติมาอันเป็นทางสายกลางโดยย่อก็คือตั้งอยู่ในสินอบรมสมาธิอบรมจิตให้มีปัญญานี่่เรียกว่าธรรมประโยชน์งานในส่วนนี้เราตรวจดูเราทั้งหลาย ได้สละเวลาทุ่มเททาแค่ไหนเพียงไรซึ่งอัตจรรยาก็ดีเพื่อจะได้เป็นยาตัทจริยาและโลกัตถจริยาเพื่อให้เกิดประโยชน์สงบสุขอันเป็นงานในสาระมันคงเรียกว่าไม่ประมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะในส่วนนี้แล้วเราก็สามารถ ตรวจรอบสอดส่องดูงานของเราแต่อดีตตลอดถึงเราจะทําอะไรในปัจจุบันและต่อไปเราควรเลือกหาสาระเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวแก่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนร่างกายก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะการทําประโยชน์มันเกี่ยวเนื่องโดยร่างกายด้วยเกี่ยวเนื่องโดยชีวิตด้วย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างปารามีได้จนได้ตรัสรู้ธรรมเพราะการมีชีวิตเพราะการมีขนันมีอัตภาพร่างกายและพระองค์ทรงประกาศสั่งสอนบุคคลผู้มีชีวิตมีขนันอันเป็นมนุษย์อย่างนี้เหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงตรัสว่า อากงางภาพนางมนุษย์เสส่อการที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นได้ฐานะอันดีหรือบนพื้นฐานอันดีเพราะเหตุใดเพราะอุปกรณ์การเป็นมนุษย์อวัยวะทุกส่วนสามารถที่จะบำเพ็นประโยชน์ประพฤติ ธ, ธรรมได้สมบูรณ์บริบูรณ์กว่าได้อัตภาพอย่างอื่น เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลายฐานะอันดีที่เราทั้งหลายได้มานี้ด้วยกุศลประชุมตกแต่งให้เราที่เราได้สั่งสมอบรมแล้วแต่อันดีเมื่อได้สมประสงค์คือได้ฐานะอันดีได้เครื่องมืออันดีนี้แหละเราควรจะใช้เครื่องมือของเรานี่ให้เป็นประโยชน์แก่เราด้วยเป็นประโยชน์แก่าญาติด้วยเป็นประโยชน์แก่โลกด้วย ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่โลกคำว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติทายาทของเราไม่ใช่แต่เฉพาะแม้แต่ลูกหลานของเราก็เรียกว่าทายาทเป็นเยี่ยงยเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายควรพยายามที่เราทั้งหลายใดริเริ่มกระทามนันนี้ควรจะสร้างกําลังใจสร้างความปลื้มใจสร้างความติใจแก่ตัวเราเอง ถึงใครไม่ปลื้งใจแล้วก็เปลื้งใจในการกระทําของเราที่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่เราแกล้งจิตใจปลื้มใจหลอกลวงเราเองเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆเราได้ลงมือกระทําจริงๆผลงานของเราประกบมาตามรนดับเราถึงเรามาพุกหัดจิตใจตามระดังานส่วนนี้เป็นงานเท่ จริยาการประพฤติกระทำที่ควรสนับสนุนควรปลอบใจของเราสร้างกำลังใจให้เราทุกคนตั้งใจปฏิบัติเราจะได้ทำประโยชน์ทั้งเราคืออัตจริยาดังกล่าวแล้วและยาตัทธจริยาพร้อมด้วยญาติของเราก็จะได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติเพุ่อัดอบรมต่อถึงโลกัตถจริยาโลกทั้งหลายผู้มีความ เดือดร้อนผู้มีความกระวนกระวายผู้ที่มีความไม่เชื่อชื่นในจิตในใจจะได้เข้ามาอาศัยฝึกฝนประพฤปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นประโยชน์อันมั่นคงถาวรซ้นกันนานประโยชน์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์เล็กน้อยที่เราทั้งหลายพยายากทา แต่ถ้าหากาเราไม่มีสติระลึกเหมือนก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาสอดส่องให้รู้เราก็ย่อมไม่เห็นอะไรนลเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เพื่อสร้างสติระลึกสิ่งที่เราทาเพื่อให้มองเห็นผลจะได้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปได้มีปัญญาสอดส่องเพื่อหเห็นชัดผลงานการกระทำของเราจะได้มีกำลังใจจะได้ไม่ท้อถอย เาะเอดนั่นเราทั้งหลายพยายามการศึกษาและการสอดสองเพื่อให้รู้จักผลงานการกระทำของเราด้วยทําอะไรจาไม่รู้จักผลงานการกระทําของเราเองจะไปว่าทําโดยไม่รู้อะไรกนะําลังใจที่จะบาดบันมันเพียนลงไปก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้ ก็สักค์ว่าจะทำลูปลูกคำคำคโดยเสียไม่ได้ถ้าหากเราทางหลานมีสติระลึกนึกขึ้นมาใช้ปัญญาสอดส่องให้ละเอียดตั้งเหตุและถึงผลที่ปรากฏขึ้นมาได้อะไรเกิดขึ้นเราก็จะย่อมเห็นแจ้งชัดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องถามบุคคลผู้อื่น เพราะเราทำกับตัวของเราเองเราปฏิบัติกับตัวของเราเองเราสอดสองในจิตใจของเราเองเราจะรู้เราเองโดยไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องใครจูงไม่ต้องใครบอกไม่ต้องใครจัดเตือนนี่ถ้าหากว่าสติปัญญามีกำลัง สามารถที่จะส่องเห็นได้ในยตนเองนะเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงเรียกว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวอิจหลศรัทธาคือมั่นคงตามสติปัญญาที่ท่านประพฤติปฏิบัติพฤติปัดิอบรมที่ท่านสอบส่องมองเห็นที่ให้เกิดความเชื่อได้ปรากฏขึ้นในตัวของท่านเอง เพราะแะ่นั้นอิยะนับตั้งแต่โสดาบันทกิทากาณนาขึ้นไปท่านจึงไม่ไม่หวั่นไหวในการที่จะบำเพ็ญกุศลใครจะมาขัดขวางห้ามไม่ได้ไม่ว่าอิยะบุคคลเช่นโซดาบันไม่วา่าฝ่ายบันไปชิดตึกคารวา เหมือนลูกสาวของเศรษฐีเป็นอริยะบุคคลไปแต่งงานไปอยู่ในตระกูลผัวเป็นมิจฉาทิฐิไม่เคยทำบุญให้ชานนางอยู่ปราจีจากไม่เคยไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีความจนได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่าอาจา้จจละศรัทธาคือศรัทธาอันมั่นคงในการประเภติในการกระทำเพราะเข้าวสารมองเห็นว่าสิ่งที่กระทานี่เป็นการกระทำที่ประโยชน์อันให้เกิดความสุขที่มั่นคงแก่จิตใจและอันเป็นสาระทั้งตนและทั้งบุคคลผูรู้ เพราะฉะนั้นเราทางหลายในวันนี้เราก็ได้มาทําประโยชน์อันเป็นสาระมั่นคงควรยินดีและตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อขาดอบรมให้เกิดศรัทธาในใชจสติปัญญาสอดสอนดูการกระทํำในการปฏิบัติของเราโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ให้พยายามสอดสองดูจิตของเรา แต่จิตเป็นนามาทมเป็นสิ่งที่ละเอียดเราจะมองดูด้วยอย่างอื่นไม่ได้นอกจา ก, กสัญญาความหมายโดยความระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเระลึกพุโทโธพุโทโธกระลึกภาวนาพุโทโธพุโทโธคอยสอบสองดูตรงนั่นแหละคอยปรับปรุงสํารวมไปสํมรวมไปเพื่อให้เกิดความรวมพลัง ของความรู้อยู่ในจุดแห่งเดียวกันถ้าความรู้ที่อยู่จุดเดียวกันมั่นคงตั้งมั่นแน่วแน่แล้วจนเป็นเอกขกตารมปรากฏขึ้นมาแล้วความปิติ อ, อบอิม่มทั้งกายทั้งจิตย่อมปรากฏขึ้นมา ประหารทุกเจ็บป่วยใดๆเล็กๆในนอที่มีอยู่ขาดไปความสุขเกิดขึ้นตามละดับถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นมีกุศลอันสั่งสมมีกำลังเพียงพอสามารถไปจะบรรลุอริยมรรคอริยผลตัดกิเลสอันหยาบหยาบได้ จิตละเอียดลงไปสามารถเห็นสัจธรรมของจิตแจ้งไปจากมีกำลังกล้าละกิเลสส่วนอยากอยากขาดเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้เป็นนิสัยและอุปมนิสัยเป็นปัจจัยสนับส น, นุนจิตใจในการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจจิตใจสามารถมองเห็นเช่าที่จะตัดขาดได้ที่ละได้เด็ดขาด ไม่สามารถจีตจิติดข้องอยู่ได้หลุดพ้นไปได้ตามขั้นภูมิของกาลังติปัญญาของบุคคลที่ทำเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในตัวของเราเองโดยเข้าใจว่าเราเป็นคารวาดก็ดีเราเป็นผู้หญิงก็ดีเราเป็นผู้ชายก็ดีได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถ ปฏิบัติให้สำเร็จมาผลเท่าเทียมกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าอาดีตา ก, การเราได้มีบุญกุศลได้สร้างสมเกกล้ามามากแล้วแค่ไหนเพียงไรบางที้าหากเราถึงเกกล้าหรือได้ทำมาแล้วถ้าจิตใจของเรารวมสงบบังเกิดขึ้นมาตัดเช่าวัด กระแสกิเลสวัตตะได้เราก็จะได้ความสงบสุขที่แท้จริงเพราะเหตุนั้นเราไม่ควรประมาทบางทีทุกคนเคยเวียนว่ายใจเกิดมานักหนาอาจจะเคยได้เข้าไปฟังธรรมเนื้อประพฤติธรรมในอาจารย์ในองค์สมเด็จพระศาสด า, ษาหรืออริยาสาวกแต่อติตการมาบ้างแล้วเราก็ไม่ทราบ มถึงเวลาจังหวะเหมาะๆ เ, เราก็จะได้สำเร็จพ้นทุกในชาตินี้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทควรตั้งใจปฏิบัติสุดหัดอบรมของเราไปตามร น, นดับถึงอย่างไรก็ตามเราปฏิบัติแล้วจิตย่อมสังสมการปฏิบัติไม่ให้หมดไปตามกาลเวลา ถ้าหากการปฏิบัติมันหมดไปตามกาลเวลาแล้วปรมมขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะได้มาจากไหนถ้าหากทำแล้วก็หมดไปหมดไปเมื่อกาลเวลาพระองค์ก็ไม่สอนให้เราสั่งสมบุตรเพราะฉะนั้นการทำนี่คือการสั่งสมบุตรสะสมไว้เพราะ ถ้าหักมันหมดไปมันไม่เรียกว่าสะสมเรียกว่ามันหมดไปเพราะสะสมมันต้องเหลืออยู่มารวมกันรวมกันนี่พลังให้เราเป็นผู้มีบุญได้ที่เรียกว่าสุขขอบุณสะอุเจยโยการสะสมบุญคือบุญที่เราทาแล้วต้องรวบรวมไว้ใจมันถึกไว้ข้อนี้เห็นได้เหมือนเราสัง่งสมแวิชาความรู้ทางโลกที่เราเรียนมา ถ้าหางมันหมดไปตามกาลเวลาเราก็ไม่มีความรู้ที่จะทําการทํางานได้เลยมันก็ต้องหมดไปหมดไปแต่ความรู้ที่เราศึกษาตัง้งแต่เด็กจนใหญ่ถ้าใครจะสมใดมากเท่าไหรยิ่งจำนิจํนานามไม่เห็นมันหมดไปตามกาลเวลานั้นให้แจกจ่ายมาเท่าไรก็ไม่หมดนี่เป็นสิน่งที่น้าอาจารย์จิตใจเครื่องบันทึกโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติที่สังสม ่วิชาความโลภในส่วนกุศลในทางธรรมก็เช่นเดียวกันที่เราประพฤติคุณงามความดีจิตใจนั้นก็จะบันทึกไว้ความดีที่จะอํานวยผลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามถ้ามันหมดแล้วจะได้อะไรติดตามเราไปมันต้องมีผลกลับมันต้องมีเหตุมีผลจะต้องมีอยู่ในจิตใจ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราตรวจตรองพิจนาแล้วเราก็จะสิ้นสงสัยในเรื่องโลกนี้โลกหนาในเรื่องตายแล้วสูญใจแล้วเกิดบุญกุศลทำไปแล้วจะได้รับผลนรกสวรรค์เราจะสิ้นสงสัยเพราะปัญญานี่เองถ้าหากเราไม่ได้พิจนาปัญญานี่้เกิดและความสิ้นสงสัยของเราไม่มีมันมีแต่ความสงสัยอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นขอให้เราทาั้งหลายตั้งใจปฏิบัติสามารถจะรู้เห็นได้ดังบรรยายมาวันนี้สังให้ยุดติแต่เพียงเท่านี้ก่อน